ช่วงนี้หลายคนก็เน้นปราบรอบทำกุศลเรียกว่าพุทธบูชาน่นะโดยเฉพาะการไปกราบไหว้พระเจดีย์ออกมาก็ไปมาสองวันติดกันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เมื่อวานไปที่น่านพระธาตุแช่แห้งอ่ะนะก็รูปแบบองค์เจดีย์ก็น่าเลื่อมใสปิดทองทั้งองค์เลย นะองค์ใหญ่พอสมควรองค์ใหญ่เท่าพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยประมาณนนเนี่ยเนี่ยมแล้วก็กลับมาก็ได้ไว่ายช่อแฮมาลำปางหลวงไม่ทันไม่ทันก็เลยไปพระาธาตุดอนเต้าแทนเมื่อวานก็เลยสามพระาธาตุวันนี้ก็วันนี้ก็ สองแห่ ง, งก็คือที่จอมทองกับบนดอยอินทนนท์ก็พายโยมให้ไหว้พระธาตุานะใกล้ชิดพระรัตนตรัยบ้างคือทำไมพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรแก่การกราบการไหว้ทำไมจึงทไมเราจึงต้องไปกราบทำไมเราต้องไปไหว้เคยเคยเอามาคิดกันบ้างไหม แล้วก็าขากลับมาเนี่เมื่อกี้ก็ไปไหว้เจดีหลวง ม, <ol> ลมากรอบแร่งวารูปอีกนิดนการไหว้พระเจดีเนี่ยนะถามว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนอริยศัสตร์อย่างไร ถ, ถ้าตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยการไหว้พระเจดีโดยทั่วไปที่ที่เราทั้งหลายไปไหว้ก็คือเนื่องจากปรารภ พระบรมสารีริกธาตุปรามะบวกสรีระเนี่ยนะสรีระอันนี้หมายถึงกระดูกซะส่วนใหญ่สรีระนะปรามะก็คือกระดูกที่สูงสุดเรียกว่าสุดยอดของกระดูกทั้งหลายที่ไม่เหมือนกระดูกบุคคลอื่นทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นกระดูกที่เคยเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตยานเนี่ยเป็นกระดูกที่เคยตั้ง อานาวรณายานเป็นกระดูกที่เคยตั้งแห่งเรียกว่าอินทรียปโปรปริยติยานเป็นที่ตั้งแห่งอาสยานุสยายมานเป็นกระดูกที่เคยตั้งยมกะปาติหาริยยานและที่สําคัญก็คือเป็นกระดูกที่เคยตั้งพระมหากรุณาสมมาบัติยานพระมหากรุณาสมมาบัติยานเนี่ยสำคัญที่สุดในบรรดายานทั้งหมดที่ สงเคราะห์สัตว์เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ตัวที่กระตุ้นให้พระองค์เนี่ยเที่ยวสงเคราะห์สั่งสอนเวนยาศาสตร์ทั้งหลายก็คือกรุณาคือพระอรหันตุกรูปทุกองเนี่ยมีอัทยาศัยเหมือนกันหมดคือวิเวกัตอัธยาศัยพระอรหันตุกรูปปกติเนี่ยท่านชอบกายวิเวกอันนี้ท่านท่านรักอย่างแรงกล้านะรักวิเวกอย่างแรงกล้า พระหันทั้งหมดรักจิตวิเวกมากพระหันทั้งหมดเนี่ยอารมนาทิปติของท่านคืออรหัตผลกับพระนิพพานนั่นคือสิ่งที่น่ายินดีที่สุดสําหรับท่านนะแปลว่าอารมนาทิปฏิอารมณ์ที่น่าปรารถนาะอารมณ์ที่ท่านยินดีที่สุดมีอยู่เท่านั้นนะคืออรหัตผลกับพระนิพพานที่เหลือไม่ใช่อารมนาทิปฏิของท่าน ท่านก็รู้ท่านก็เห็นท่านก็ได้ยินแต่ว่าท่านไม่ได้ฝักฝ่ไม่ได้คือไม่ใช่สิ่งที่น่าต้องการอะไรสำหรับท่านแต่ความที่พระมหากรุณาเนี่ยถ้าโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเนี่ยความที่กรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายก็อาศัยกรุณาสมาบัตยานที่แผ่ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นความทุกข์ความยากความเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกรุณาอันนั้นแหละ ที่ทำให้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยโคจร อ, อยู่กี่ปีตั้งแต่เป็นพระพุทธเจ้า4 5พันปานะเป็นพระสรีระที่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขากายวิญญาณไม่ใช่น้อยโคจรจาริกจากท้องที่หนึ่งไปสู่ท้องที่หนึ่งจากตำบลหนึ่งไปสู่ตำบลหนึ่งจากรัฐหนึ่งไปสู่รัฐหนึ่งจาริกในอินเดียเนี่ยทุกปี แล้วก็ไปที่อื่นบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยจาริกตลอด45พรรษาไม่เคยหยุดหย่อนเว้นไว้แต่ว่าช่วงใดที่จะต้องรออินทรีย์สัตว์ทั้งหลายช่วงนั้นอาจจะรออยู่บ้างเดือนสองเดือนหรือว่าระยะเข้าพรรษาแต่ถ้าเป็นระยะการนอกพรรษาก็เป็นการจาริกของพระองค์คือการจาริกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะด้วยเหตุผลหลายประการที่สําคัญก็คือ ศัทั้งหลายผู้พิการทั้งหลายที่ออกจากบ้านไม่ได้คือพิการสมัยโบราณนี่อับัมากนะออกจากบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พระองค์ก็ไปไปเที่ยวให้เขาเห็นเพื่อจะได้มีทัศนานุตริยะบางทีก็ไปแสดงธรรมเนี่ยนะใกล้ๆเรือนเคียงอาจจะอุ้มกันมาฟังร้างก็ได้ก็จะได้มีสวนานุตริยะจะได้เห็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างจะได้เห็น จะได้ยินพระธรรมคำสอนของพระองค์บ้างแล้วที่สำคัญเพิ่มไปกว่านั้นอีกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดผู้ที่ยังมีมือก็จะได้ยกมือไหว้ผู้ที่พอจะกราบเป็นก็ได้ก้มลงกราบผู้ที่สูงไปกว่านั้นก็จะได้ถวายทานผู้ที่ถวายทานหรือได้ฟังธรรมถึงพระองค์เป็นสาระเรียกว่าถึงไตรสารณคม สูงยิ่งไปกว่านั้นอีกบางพวกก็สมาทานตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบทหประการหรือสิกขาบท8ประการหรือสมาทานกุศลกรรมบทสิบยิ่งไปกว่านั้นอีกเนี่ยเขาบางคนก็จะได้เจริญสมถาวิปัสสนาตั้งมั่นอยู่ในสมถาวิปัสสนาสูงไปกว่านั้นบางพวกได้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นก็เป็นกําลัง ช่วยเหลือช่วยกิจาการงานของพระองค์คือช่วยสงเคราะห์ให้สัตว์อื่นได้รับคุณธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นต่อต่อกันไปั้นการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่เกิดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อเกื้อกูลแก่โลกนะเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์นี้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะ ที่เคยเป็นที่ตั้งแห่งพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนะคุณพันพระองค์นี้อาศัยพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้นี่แหละเผยแผ่อริยสัจธรรมประกาศอริยสัจธรรมแต่ถ้าว่าเนื้อหาโดยรวมโดยสรุปเนี่ยนะพระองค์นี้ก็คือเป็นผู้ล่วงพ้นชราและมรณะแล้วะ พระองค์นี้พ้นจากชราและมรณะพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากชราและมรณะด้วยดังคําปณิธานใช่ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยพระธาตุของพระอรหันต์ทั่วๆไปที่คนก็เคารพกราบไหว้ยอยู่แต่ก็ไม่พิเศษไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสารทั้งหลาย นะสงเคราะห์เขาให้เขาได้พ้นทุกข์บ้างอันนะเพราะอย่างที่รู้กันว่าถ้าปรารถนาเพื่อพ้นแต่เพียงผู้เดียวก็พ้นนานแล้วเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วแต่ชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นชีวิตที่ทนทรมานอยู่ในสังสารวัตตลอดสี่อสงไขยเศษแสนกลับแล้วถามว่าท่านรู้ไหมว่าท่านไอระหว่างที่ต้องทนอยู่ใน สังสารวัฏเนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกับท่านรู้ปัญหารู้อุปสรรคไหมบอกรู้ท่านรู้ไหมว่าท่านจะต้องเจริญอะไรอีกบ้างบอกรู้น่นะอย่างที่เรียกว่าชันทะที่ที่ท่านปณิธานเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือ <c oughs> ถ้ามีใครบอกว่าคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าจะทาสำเร็จเนี่ยจะต้องลุยหนาเนี่ยเรียกว่าจั ก, กรวาลทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือน น้ำน้ำไผ่นนะน้ำไผยที่มันรกชัดเนี่ยถ้าเป็นรกชัดเท่าท้ายสวนผู้การแค่กอเดียวมันก็น่าจะหลุทะลุไม่ยากนะแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นห้องจั ก, กรวาลทั้งหมดเนี่ยเกาะเกี่ยวประสานด้วยน้ำด้วยด้วยความรกความชัดอันนี้ถามว่ารกชัดตลอดสี่อสงไขยที่พระองค์ต้องฝ่า ม, มาตลอดน้ำอันนั้นคืออะไรรู้ไหมบอกมิจฉาทิฐิ ต้องลุยมิจฉาทิฐิเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบเนี่ยนะแหวกมิจฉาทิฏฐิบําเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบปรามา IS IS ัตถบารมีสิบอยู่ตลอดเวลาต้องแหวกตลอดเนี่ยนะเพราะถามว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเห็นด้วยไหมที่พระองค์บำเพ็ญบารมีนะนับตั้งแต่ทา น, นากุศลเป็นต้นเนี่ยมิจฉาทิฐิทั้งหลายไม่ยอมเลยแต่พระองค์ก็ต้องแหวกที่จะบําเพ็ญบารมีสิบอยู่ตลอดเวลา แหวกอยู่อย่างนี้สี่อสงไขยแสนกับในท่ามกลางคนที่ไม่เห็นด้วยมาวหราังพระเวสสันดรมาก็บอกว่าท่านให้ช้างของท่านเป็นทานอ่ะนะชาวบ้านไล่หนีออกเมืองเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะก็เอาช้างตัวเองให้ทานอ่ะนะเาก็ไล่ตัวเองหนีออกไปอ่ะก็ประท้วงกันใหญ่โตเลยนะเพราะให้ช้างเป็นทานก็ช้างส่วนตัวนะเขาก็มาถือเองว่าคู่บ้านคู่เมืองใช่ไหม พอเจ้าของให้ทานไปเอาคนอื่นเดือดร้อนอีกไม่ยอมทั้นแสดงว่าคนที่ไม่เห็นด้วยในการบําเพ็ญบารมีสิบเนี่ยนะมากอันนี้ต้องแหวกมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาเราสังเกตดูในะการเจริญกุศลของเราเนี่ยแบบง่ายๆเนี่ยเราทั้งหลายที่เจริญเจริญกันอยู่เนี่ยถามว่าแหวกมิจฉาทิฐิมากไหมแม้แต่ทานก็แหวกนะรักษาศีลก็แหวกเจริญสมถะก็แหวกเจริญวิปัสสนาก็แหวกอันนี้คือความรกความชัดของสังสารวัฏทั้งหลาย แต่พระ อ, องค์ก็ฝั่นฝ่าไอ้น้ำชัดคือทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะอันนี้ข้อแรกใช่ไหมข้อสองบอกว่าใครที่ปรารถนาเพื่อจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องไหวเหมือนกับว่าห้องจักรวาลทั้งหมดน้ำท่วมแล้วไหวข้ามน้ำอะ่ะือเราต้องรู้กติกาของน้ำมาถ่าเลิกไหวเมื่อไหร่มันไหลกลับไปที่เดิม ปกติของหน้ามันมันจะลักษณะนะั้นมันต้องไหวทวนกระแสอยู่ตลอดเวลาสี่อสงไขยแสนกับน้าในที่นี้คืออะไรคือน้าในธรรมวินัยโอคะอันนบมหันนบทั้งหลายแหละเนี่ยคืออะไรก็คือตันหามันต้องแหวกว่ายตัญหาอยู่ตลอดเวลานะเพราะสิ่งที่น่าปรารถนามันมีมากมายใช่ไหม แต่จะต้องไหว้ข้ามไอสิ่งที่น่าปรารถนาเพื่อจะให้ทานวัตถุที่เราให้ทานทั้งหลายเรารังเกียจนักหรืออย่างไรข้าวของเครื่องใช้ที่เรามาบูชาเนี่ยเนีเอามาให้ทานเป็นต้นเนี่ยเรารังเกียจหรื อ, อยังไงเราจึงให้ทานไม่ใช่เลยแต่และอย่างเป็นสิ่งที่เราปรารถนาทั้งนั้นดังที่อุคคเครือหาบาดีกล่าวว่าเนี่ยนี่ยบอกว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจใช่ไหมทั้นโดยรวมๆแล้วเขาให้ของที่ที่เขาชอบใจเป็นหลัก ของมาเนี่ยสังเกตนิสัยเจ้าของอาหารได้อย่างนึง น, นะใครชอบอะไรจะให้อันนั้นบ่อย อ, นนนนะอันนี้คือที่เห็นแหละนนนคนนี้เอ๋อเขาชอบอันนี้คนนี้ก็ชอบอันนี้เพราะเขาเขาทำบุญประเภทนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาคิดอะไรไม่ออกเขาจะไปเอาอันนั้นมาทำบุญนะก็สะแสดงว่าอันนั้นเป็นที่ที่เขาชอบใจแนะม้กระทั่งถามว่าการรักษาศีลเนี่ยมันขัดมันฝืนอะไรไหมบอกขัดมากฝืนมาก พันธอันนี้คือต้องข้ามโอกคะคือตันหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งตันหาผู้อื่นด้วยตันหาผู้ตัวเองด้วยเนี่ยโดยเฉพาะตันหาตัวเองเนี่ยนะที่มันเกิดเหมือนกับโอกคะใหญ่เลยที่จะต้องแวกจะต้องว่ายอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะให้ทานเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจะบําเพ็ญทั้งสมถะวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่าเป็นสาวกปกติทั่ ว, วไปเนี่ยนะไม่ฝืนอะไรมากมายทําอย่างไรตัวเองพ้นทุกบรรลุได้ก็ใช้ได้แนละ้วถือว่าเพียงพอ แต่ของพระ อ, องค์ไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องแวกไหวที่สุดแล้วก็ศึกษาวิธีไหวทุกประเภททุกชนิดทุกท่าเพื่ออะไรเพื่อจะได้สอนคนอื่นเขาได้ว่าเออเนี่ยถ้าห่วงน้ำแบบนี้แก้อย่างนี้ฮันผู้ที่ให้กรรมฐานวิจิตพิสดารที่สุดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะรู้อัธยาศัยของมวลเวในสรรพัพัสทั้งหมดเพราะสับพัสทั้งหลายเนี่ยผ่านการทาปริญญาของพระ อ, องค์หมดแล้วจนรู้ว่าใครนี่ควรจะ แนะนำสูตรไหนสอนอย่างไรอะไรเข้าจึงจะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะบรพองก็แวกไหวโอคะคือตันหาเนี่ยสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะก็ดังที่กล่าวว่าตันหาเล่นงานท่านถึงกับร้องให้ก็ไม่ใช่น้อยนะถึงถึงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็าตามเนี่ยนะตั้งสมาทานเพื่อจะฝืนตันหาแล้วก็เจริญกุศลเนี่ยนะโดยเฉพาะบารมีสิบอุปบารมี1ิบหรือที่เรียกว่าบารมี30ิทัศเนี่ย ฟื้นอยู่ตลอดเวลาเลยจะต้องฟื้นไอกะระแสตัณหาเนี่ยตลอดอันนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าผู้ใดสามารถที่จะไหว้เออสามารถที่จะเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะข้ามห้องจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยหลุมฐานเพลิงได้ผู้นั้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนี้หมายคำว่าฐานเพลิงเนี่ยนะเปิดของร้อนใช่ไหมถามว่าโลกนี้อะไรมันร้อนไฟคืออะไรร้อนที่สุด ไฟคือโทสะเนี่ยมันร้อน ม, มันร้อนจริงๆนะในโลกของโทสะเนี่ยนะนอนห้องแอร์ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วมันเย็นไหมห้องนั้นอนะเย็นไมไม่เย็นเนี่ยนะอากาศดีๆเนี่ยนะถ้ามีเรื่องเสียใจขึ้นมาแล้วมันเย็นไหมตรงนั้นแล้วถามว่าในโลกนี้ปฏิฆานิมิตมากหรือน้อยละ่ะสำหรับผู้ที่เกิดมาเนี่ยนะเรื่องราวที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเนี่ย มีมากหรือมีน้อยกับกันเพราะฉะนั้นจะต้องฝืนไอ้โทสะอยู่ตลอดเวลาังั้นไฟคือโทสะเนี่ยคือท่านต้องฝืนมากฝืนมากมายเนี่ยนะระยะเวลาสี่อสงไขยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยก็ต้องอยู่แล้วก็ฝืนโทสะตัวเองด้วยนะแล้วจะต้องจําทนต่อโทสะของผู้อื่นด้วยเพราะคนที่ที่อยู่ในแวดวงของคนโทสะนี่มันจะต้องอดทนต่อผู้ที่มีโทสะใช่ไหม ถ้าโทสะเขาล่วงดังมาทางวาจาเราก็ต้องทนฟังทวารหูถ้าโทสะเขาล่วงมาทวารกายเราก็ต้องทนเขาโทสะมาทางมือนะผิวเราก็ต้องทนอ่ะอยังไงท่าก็ต้องอดทน <c oughs> เขาไม่พอใจต่อเราเราก็ต้องเก็บต้องยอมต้องทนอันนี้คือจําทนในสภาพของโทสะเพราะในมูสัตว์ผู้มีโทสะใช่ไหยท่านแหวกนิจฉาทิฐิแวกแหวกอะไร แวกมิจฉาทิฐิอยู่สี่อสงไขยแสนกับโดยที่ไม่ไปเป็นเจ้ามิจฉาทิฐิซะเองเนี่ยนะท่านแหวกตันหาอยู่สี่อสงไขยแสนกับท่านแวกโทระที่นี่สี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะแต่ละกลับกระดูกกองโตเท่าภูเขาแต่ละกลับแต่ละกลับนะเฉพาะชาติที่มีกระดูกนะถ้าถ้าเป็นศพไม่เน่าไม่สลายนียคงจะท่วมโลกนั่งกันคนเดียวนะ แล้วถามว่าสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยผ่านเป็นศพมากี่ศพเขาจึงเล่าว่าบารมีที่ท่านยกมาในชาดกเนี่ยนะเหมือนน้ำในผ่านที่ไม่ได้เอามาแสดงเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยนะฉะนั้นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตเนี่ยหาประมาณไม่ได้สิ่งที่พระองค์บําเพ็ญทั้งหมดเพื่อความเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจะได้เป็นพผ้ารหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยจะได้เอาสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยมาบอกมาสอนทีในี้ใจความสําคัญสาระสําคัญที่พระองค์บอกสอนเนี่ยบอกสอนให้เราทั้งหลายทําอะไรกันถ้าว่าโดยสาระของคําสอนเนี่ยก็คือให้เรารู้จักกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ว่าเราจะต้องกําหนดรู้นะต้องทําปริญญานะถ้าไม่ทําปริญญาไม่พ้นทุกข์แน่เราจะต้องละสิ่งที่ควรละ อะไรที่ควรละก็ต้องละนะอะไรที่ควรทำให้แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งแล้วสิ่งที่ควรเจริญก็ต้องเจริญถ้าใครมองเห็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรทำให้แจ้งสิ่งที่ควรจเจริญคนนั้นเนี่ยเข้าถึงเข้าใจในคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าพระ อ, องค์สอนเราทาไมเนี่ยนะสอนให้เราทาอะไรอย่างสิ่งตอนนี้เราเรียนทุกขาอุปนสั์อยู่ก็คือเรากำลังเรียนสิ่งที่ควรกาหนดรู้ นนะก็เพื่อให้เรากําหนดรู้อย่างการกล่าวชาติชรามรณะเนี่ยนะครั้งแรกที่พูดถึงชาติเรากําหนดรู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะสมเรียกว่าสมเจตนารมณ์ไหมว่าพราะองค์ตั้งความปรารถนาจะให้เราทั้งหลายได้ทำปริญญาเรากําหนดรู้ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกล้วนต้องแบกทุกข์กันไว้ทุกคนนี่แบกทุกข์กันหมดเลยนะ <c oughs> เริ่มแบกตั้งแต่เกิดนะทุกคนที่เกิดมาในโลกใช้คําว่าโลกนะโลกมีกี่โลก อบายาโลกมนุสโลกเทวโลกธาตุโลกขันโลกอายตนะโลกเนี่ยนะทุกคนที่แบกโลกเหล่านี้เนี่ยก็แบกโลกในภพสามอ่ะนะแบกขันธาตุอายตนะเนี่ยถามว่าแบกแบกโลกเหล่านี้ถามว่ามันหนักหรือมันเบาก็ดังที่พระองค์แสดงอยู่แล้วใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของร้อนเนี่ยนะของร้อนเราก็ต้องแบกของร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันจะเดือดร้อนขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหนอย่าง อย่างถามว่าคนมีสตังค์เยอะๆอันนี้เราพูดถึงคนที่มีความสําเร็จเลยนะถามว่าเขาร้อนหรือเขาเย็นอันนี้ถ้าว่าโดยธรรมดานะโดยที่ไม่มีหลักธรรมอะไรเลยนะจะเย็นได้อย่างไรเพราะว่าเขากุมมหาพูดเอาไว้มากขนาดนั้นนะ่ะคืออํานาจของการใช้เงินคือจัดแจงจัดการกับมหาพูดได้ใช่ไหมคือมีอํานาจจัดการมหาพูดเพราะเงินเนี่ยเอาไว้ซื้อมหาพูดอย่างเดียวเพราะเป็นค่าที่เอาไว้ใช้แทนมหาพูด นะสมมติถ้าเอามีหนึ่งล้านเนี่ยมีสิทธิ์ใช้มหาพูดกี่ไร่คำนวณไว้เลยใช่ไหมถ้าในเมืองก็อาจจะไม่ถึงไร่อย่างน้นแนตะ่นอกเมืองก็เยอะหน่อ ย, อยก็แล้วแต่สามารถตึกได้กี่หลังเป็นต้นเนี่ยคืออันเงินทองทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวแทนการใช้แทนอำ น, นาจจัดการบริหารมหาพูดมันถ้ามีมากเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่าเอายอดของมหาพูดไปเก็บไว้ในตัวเท่านั้นนะนะ แล้วมหาพูดมันเป็นที่ตั้งแห่งการแข่งแย่งกันมันเป็นอพยากระตะธรรมมันแข่งแย่งกันร่างกายของเราเนี่ยนะสัตว์มันแย่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยุงมันยอไม่ล่ะมันแย่งเรานะยุงมันก็มาแย่งกินบ้างนะสัตว์อื่นมันก็มาแย่งกินนะแย่งเราก็ไปแย่งเข้ามาบ้างเราก็ไปแย่งมหาพูดของสัตว์อื่นมากินบ้างนะก็แย่งกันไปแย่งกันมามันมหาพูดเนี่ยมันเป็น เป็นมหาผีจริงๆมันเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะเบาะแวงแก่งแย่งชิงดีพี่น้องทะเลาะกันนั้นไม่เกินทะเลาะเรื่องมหาพูดหรอกสงครามระหว่างประเทศก็สงครามมหาพูดนั่นแหละศึกแสวงหามหาพูดศึกทําลายล้างมหาพูดศึกต้องการมหาพูดแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือชิงชรากับมรณะนั่นแหละสิ่งอ่ะนะแย่งสิ่งสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแย่งสิ่งสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานั่นเองนะ โอ้ใครมีอำนาจควบคุมสิ่งที่เกิดที่แก่ได้ที่ตายได้มากนะโอ้คนนั้นมีบุญมากเลยใช่ไหมเป็นที่ยกย่องกันของโลกทั้งหลายเพราะโดยปกติเนี่ยพระองค์จะตรัสถึงโทษของสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีโทษยังไงมีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้แนะ่ะถนนเบริมเบ ร, รามขับไปชนเสาไฟฟ้าเฉยๆอย่างเงี้ย น, นะมีโทษหรือไม่มีโทษเบรกอัพคันนึ่งนะถนนมันก็ใหญ่โตมันไปชนโนะ่นอ่ะเสาไฟฟ้าอยู่ข้างทางอนะ ซึ่งมันก็ควรจะวิ่งไปชนป่าราบป่าอะไรใช่ไหมเสามันก็เดี่ยวมันก็ไม่ได้ต้นใหญ่อะไรเท่าไหร่พอดีเป๊ะเลยนะเสาไฟฟ้า อ, อะไรจะปานนัน้นก็ชรามรณะนะว่าควรเอามาทำปริญญาให้มากๆแล้วที่ใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งชาติม้างที่ใดสัตว์ไม่เกิดม้างลองมาคิดอย่างนี้นะที่ใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิบ้างโดยการเกิดจริงๆและโดยอารมณ์ อะไรบ้างมหาพูดที่ไหนมั่งไม่เป็นอารมณ์ของการเกิดในภพให ม, ม่มีไหมเคยเจอไหมรับอารมณ์อะไรแล้วตายไม่ได้นะมีไหมถ้ารับอารมณ์ใดตายได้ก็เกิดได้อ่ะแล้วที่นั้นนั้นอ่ะเป็นที่เคยเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นเลยเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหมดเลยนะสัตว์เนี่ยเกิดได้ทุกขนทุกแห่งจริงๆเพราะว่าไม่ได้เกิดเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวทีนี้ถ้าพูดถึงที่เกิดแล้วมหา ที่ตายเนี่ยนะถามจริงนะนะของเราทั้งหลายเรวเคยคิดไหมว่าตรงไหนบ้างที่เราไม่ใช่ป่าชาเนี่ยมีไหมมีไหมที่ที่เราไปมาทุกวันเที่ยวที่ตรงนั้นเนี่ยไม่เคยเป็นป่าชามาเลยนะไม่ใช่สุสานเนี่ยนะมีไหมไม่มีทุกแห่งไปเนี่ยคือดินแดนแห่งดินแดนแห่งมรณะทั้งหมดเลยนะก็สุสานอีก ช่วงนึงเขาเรียกป่าช้าใช่ไหมคนก็กลัวอีกช่วงหนึ่งโอโ้โหตรงนั้นทําเลทองนะแย่งกันที่ซื้อป่าชานะนะ้านั่นแหละก็ทะเลาะเบาแวงกันก็แย่งศึกแย่งชิงป่าช้านะถ้าจะว่าไปแล้วศึกชิงเตียงที่ตายนั่นแหละนะนะก็ค <c oughs> นะันห้าก็ป่าช้าด้วยนะ <c oughs> ลืมตาดูมาแมลงบินมาตายเฉยอนะไรเงี้ยนจะไปเรือได้ยังไง แมลงเข้าหูตายได้ไหมได้หายใจเข้าแล้วแมลงมันเข้าตายได้ไหมได้พูดพูดอยู่นะมันเข้ามาปากแล้วตายเฉยเลยยังไงทุกแห่งเนี่ยนะแล้วก็สมัยที่เราไม่เคยรักษาศีลมันกัดตรงไหนบั่งที่เราไม่ตบมันมีไหม <c oughs> ไม่มีนะสองมือสองเท้าเนี่ยโอ้โหนั่นแะ่ะดินเรียกว่าเพชรข้าดดีๆอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหม ถ้ามีไม่ดีก็ปากเนี่ยลิ้นตวัดไปตวัดมาก็สังฆ่าสั่งทำปาณาทิบาัตนะบาปบานเลยแล้วก็ดูนะว่าทุกคนทุกแห่งเป็นดินแดนแห่งชราและมรณะหมดแล้วก็นึกทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งใดบ้างที่เราคิดถึงแล้วไม่ใช่ชราและมรณะน้อมไปเพื่อจะหลีกจากชรามรณะนะั้นหรื อ, อยังเนี่ยนะก็ในปีรูปสาตวรูปนะมีเงื่อนไข น, นะ้น อ, อะคือ ส, สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยคือปิยรูปสาตรูปใช่ไหมคิดหลีกจากปิยรูปสาตรูปอันนั้นไปหาอาสังคตะเนี่ยนะผู้ ก, การลองเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงจะหลีกออกได้ยังไงเนียช่วยบอกวิธีหน่อยวันนี้มุงเอิงพูดถึงปีรูปสาตรูปผมมาฟังใหม่เลยมีความปิติ คืออพูดถึงว่าผมได้ยินพระอาจารย์พูดบ่อยๆนะครับว่าถ้าเราจะบำเพ็ญภาวนาเนี่ยนะแล้วโดยที่เราไม่ไม่น้อมไปที่จะไป อ, อให้ไปสู่สังคตาเนี่ยนะครับไปไม่ได้จริงๆถึงแม้ว่าจะาบำเพ็ญ บา ร, รมีหรือว่าบำเพ็ญปัญญาให้สูงส่งยังไงก็ไปไม่ได้เนี่นี่ผมอธิษฐานผมอธิษฐานเนี่ยเออให้พ้นจากไอ้อุปาทานขันธานิาทัศทีเถอะผมผมเนี่ยนะฮะเพราะยังไงยังไงนะฮะเรามีศรัทธาก็เชื่อแหละครับเชื่อพระพุทธองค์นะฮะว่ามันต้องมีดีกว่านี้อ่ะไม่รู้ละทานิพพานเรานึกไม่ออกว่ามันมันมันไม่มี น, นู่นไม่มีนี่อะไรใน ในที่นี้เนี่ยนะไม่มีท่าดินไม่มีท่าน้ํานะไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโสชาตินิพานไม่มีไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีเวลาไม่มีการเออถ้าถ้าเราไม่มีศรัทธานะในพระเจ้านะอาจจะค่อยเขวนกันนะเออมันจะไปดีอะไรล่ะครับอืมอันนี้แหละที่เรียกว่าปัญญาต้องมองอะไรเนี่ยนะมองทุกอย่างเป็นสังสารวัตรถ้าไม่มองโดยสังสารวัตรที่มัน ถามว่าในชีวิตในวัฏะเนี่ยสุขมากหรือทุกข์มากมาความสุขถึงจะมีอยู่ก็เป็นความสุขชั่วคราวคือคือมันน้อยเกินกว่าที่จะมามาเพลิดเพลินเนี่ยนะอย่างคนตากแดดทั้งวันมีอยู่วันละครึ่งชั่วโมงนั่งอยู่ในร่มเนี่ยนะไปติดอกติดใจเหลือเกินไอ้ร่มหน่อยเดียวเน่นะครึ่งชั่วโมงอะที่เหลือถูกเผาในอบายเท่าไหร่ <c oughs> จำนะใครอ่านเตมีชาดกมานนะจ่ยจำนิดอ่านมาแล้วนะ เป็นพระราชายี่สิบปีตกนรกแปดหมืนปีเนี่ยนะถามว่าคุ้มค่าไหมคุณจมนงถามดูที่กี่เปอร์เซ็นต์ความสุขที่ได้เนี่ยถึงศูถึงหนึ่งเอร์เซนไหมยี่สิบปีต่อแปดหมืนปีเนี่ยนะแปดมืนปีนรกนะและ้วก็ความสุขที่ได้แม้กระทั่งสุขที่การจากใช้อำนาจมันมีหน่อยเดียวเองนะและอำนาจนั้นก็ว่าตรงๆก็เหมือนฝัน อำนาจที่มีอยู่เนี่ยอย่างวันนี้คุยกับคุณมุนชูเนี่ยเี่ยาขึ้นไปดนยอดดอยมานะก็ฝันมาเนี่ยนะมาถึงตรงนั้นน่ะนึกถึงคุ ย, คยกั บ, บอาจารย์เกษรบนรถเหมือนนั้นน่ะวันที่ไปทุ่งจออ่ะก็ บ, บอกก็เหมือนฝันนะเอออาจารย์เกมานั่งตรงนี้คุณมุนชูนั่งตรงนั้นอาจารย์เกษร น, น, นั่งตรงนั้นมันก็เหมือนฝันนะ่นแหละเนีเมื่อหลายเดือนที่แล้ววันนี้ยเนี่ยเมื่อวานก็เหมือนฝันนงเดี๋ยววันนี้อีกสองชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเหมือนฝันใครจะนึกถึงขณะนี้ก็คือฝันเอา จะว่าจริงกาจริงละจะว่าไม่จริงก็ใช่เพราะมันผ่านไปแล้วมันไม่มีแล้วฝันว่าเคยมีเป็นเด็กเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งฝันว่าเคยมีนอสอคนหนึ่งนายคนหนึ่งแล้วนะฝันว่าเคยเดี๋ยวก็ตอนหลังก็ฝันว่าเป็นพ่อเป็นปู่เป็นย่าเดี๋ยวก็อีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะมีชื่อเราอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเนาขาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไรอ่นะ คือผมชอบใจทันคือว่าเป็นอพูดถึงว่ า, าโลกียะเนี่ยมันเป็นมันเป็นปริตธรรมเนี่ยนะในเรื่องกามเนี่ยในเรื่องการทั้นะงหลายเนี่ยมันเป็นปลิตธรรมเนี่ยผมเห็นผมเห็นความเป็นปลิต่างของมันจริงๆครับเล็กน้อยมากนะ้อยมากมาครับ <Bean> พูดถึงว่าเอารูปรถนี่นะฮะรูปว่ามันดีนะักใครจะดูได้สักนานแค่ไหนครับ <S S S> <Bean> รถเนี่ยมันผ่านไปแค่ลําคอเนี่ยอ <Bean> นั่นมันอร่อยแค่ไหนครับเนี่ย <Bean> ก็รถเดียวกันเนี่ยนะโอ้โหชอบอชอบอาหารชนิดนี้มากเช้าก็ชนิดนี้เที่ยงก็ชนิดนี้เย็นก็ชนิดนี้อันนะอาหารว่างก็ชนิดนี้อีกนะอร่อยไหมคุณหมออย่างไงี้ไม่น่าสนใจเลยนะอันนะคือเดือนแรกนะอาจจะยังพอทานได้ใช่เดือนที่สองเข้าไป เดือนที่สามเดือนที่สี่เนี่ยนะเดือนที่ห้าเนี่ยนึกถึงอยากจะหึอทรมานใจมากเลยนะเบื่ออาหารที่สุดเลยนะมันสิ่งที่น่าปรารถนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าจะว่าเล็กน้อยก็คงเล็กน้อยนะมันผ่านมาแล้วเนี่ยเว้นไว้แต่ไว้เล่าในสภาพเพื่อนเก่ากันนะนะไว้นั่งขายฝันกันนะนะสมัยนั้นเคยเป็นอย่างนั้นสมัยนี้เคยเป็นอย่างนี้ตบเท้าเข้าลรงเขาตายไปเกิดมาใหม่ แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าทําปริญญาในชาติชรามรณะเนี่ยนะโดยเฉพาะมรณะเนี่ยทุกคนทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ที่สัตว์ทั้งหลายตายเป็นที่ที่เรียกว่าฝังสัตว์ทั้งหลายนะเป็นที่ตายเป็นสุสานของสัตพสรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ